วิธีขอสิกขาสมมุติและกรรมวาจาให้สิกขาสมมตุติสิกขามานานั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงชฉวยงบ่าข้างหนึ่งกราบเทา้าภิกุณีทั้งหลายแล้วนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นสิกขามานาของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขาสมมุติในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงฆ์พึงขอแม่ครั้งที่สองพึงขอแม่ครั้งที่สาม ภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่า 1,078 ดแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าสิกขามนาชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขาส ม, มุติในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้สิกขาส ม, มุิในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีแกสิกขามนาชื่อนี้นี่เป็นยติ แม่เจ้าขอสงฆจงฟังข้าพเจ้าสิกขมานาชื่อนี้ของแม่เจ้าชื่อนี้ขอสิกขาสมมุติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงฆ์สงให้สิกขาสมมติในธรรมหข้อเป็นเวลาสองปีแก่สิกขามานาชื่อนี้แม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้สิกขาสมมติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีแก่สิกขามาณาชื่อนี้แม่เจ้ารูปนั้นพึงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วย แม่เจ้ารูปนั้นพึงทักทวงสิกขาสมมุติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีทรงให้แก่สิกขามาณาชื่อนี้ทรงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพระเจ้าถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ 1,079 พิึ่งบอกสิกขามานาผู้นั้นว่าเธอจงกล่าวอย่างนี้ว่าหนึ่งดิฉันคอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี สดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี 3. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากการประพฤติอันไม่ใช่พรหมจรรย์โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี 4. ดิฉันขอสมาทานงดเว้นการพูดเท็จโดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปี5ดิฉันขอสมาทานงดเว้นจากน้ำเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโดยไม่ล่วงละเมิดตลอด2ปีหกดิฉันขอสมาธานงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาโดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปีพระผู้มีพระภาคครั้นทรงตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วตัดโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้